ธรรมชาดกแผ่นที่8ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงทําในวันที่7กรกฎาคม2556มีชื่อเรื่องว่านกยุงทองลืมท่องคาถา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 ถ้าหากว่าองค์ไหนที่มันขาดเหลือขาดตกจะได้เย็บได้ย้อมได้ทำให้เรียบร้อยเหลืองอัถพลิขานบาทจีวรแล้วก็พร้อมกันหน้าก็ได้ฝึกซ้อมหน้าร้องทานองเอสาหังแต่ถ้า่ากใครได้ทองใดแล้วก็เออมาฝึกทัดทำนองให้มันเข้ากัน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 เป็นวันอธิษฐานพรรษาแต่โดยมากคณะัตหายาตโยมจะมาวันพระมากกว่าเพราะวันเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระวันที่ยี่สิบสามเป็นทำพิันกรรมของพระอธิษฐานพรรษาแต่วันที่ยี่สิบสองคณะจตหายายมจะมาทาบุญแล้วก็เป็นวันอุโบสถของพระด้วยวันที่ยีสิบสองพระใหม่ก็จะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับ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 แต่ถ้าเขาจับได้เขาจะเอามามัดเสียต้นไม้ต้นเสาแล้วก็ปัะจานแล้วก็ก้อนหินท่อนไม้ใครมีอะไรเหวี่ยงเขาใส่ฆ่าโดยแบบที่ว่าทนทุกทรมานฮะแต่พระเยซูบอกว่าข้าพระเจ้ามาเห็นด้วยที่จะทำอย่างนี้เอาเขามัดเสียต้นเสาไว้แล้ว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 ค่าไม่ริสุทสุดที่จะถึงขนาดนั้นผลที่สุดเขาเอาปล่อยถ้าไม่มีใครทำพอปล่อยเท่านั้นแหละผู้หญิงคนนั้นโอ้โหหายเข้ากีบเมฆเลยเตริดเปิดเปิงตะลังเปิลเปิลไปที่ไหนกงไม่รู้ออพอหลอดตายหนีไปอย่างฉุดริ่มเข้าขอบฟ้าจากกวานไปเลยหายเงียบไปนี่แหละอันนี้ก็คือสนนหนึ่งที่หลวงพ่อได้ฟัง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 มันคงจะตกมือทั้งสองข้างนมันยังดังเป๊ะถ้าตกมือข้างเดียวมันคงจะตบลมตบแรงไปฮะอันนี้ถ้าตบทั้งสองข้างมันก็ตรงดังเป๊ะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแต่ผิดไหมมันก็ผิดเป็นที่สลดหดหูของชาวพูดของเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่เรามาคิดมาพิจารณาดูแล้วเขาก็มาถามหลวงพ่อเหมือนกันตรงพ่อเห็นด้วยไหม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 เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมปบนยอดเขาอีกพระอาทิตย์กะจับรับเปลี่ยมภูเขาลงพระอาทิตย์ตกนกจูงทองตอนนั้นก็อปเปตยันจักกูมาเอการาชาหฤทวรรโนปทาวีปาพาโซข้าพปเจ้าหากิน อ, อาหารตลอดทั้งวันแล้วข้าพปเจ้าจากนี้ไปพระอาทิตย์รับเขาลงไปแล้วจะมืดแล้ว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 ท่าทางลักษณะดีลักษณะยกาะนับเป็นนกต่อแนตะ่ธรรมดานกต่อมันก็ต้องมีลักษณะท่าทางเสียงเพราะอีกต่างหากแค่ดังนั้นเขาควรเลี้ยงอย่างดีพอตอนเช้ามาก็นกยุงตันี้มันก็ร้องใชนกยุงทองมันก็ร้องอยู่บนยอดเขาอเุเทตยันจักกุมาเอการาซามก็แต่แต่มันก็ร้องอ้อแต่แต่ว่าความหมายของมันเน่ย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 มันคงจะปิ๊งในใจนกยูงเหมือนกันนะว่างั้นแตถลาเลยเออเพราะกิเลสเนี่ยกิเลสกามมาลาคะเนี่ยมันก็ถลําลงมาเออโดยที่ไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นั่นเห็นแต่โตเมียเมี่ยโดเข้ามาก็ติดบ่วงในผ่านฮะนี่นแหละการุลแล้วก็คือนกยูงตัวนั้นลื ม, ล, มลืมกล่าวสาธยายพระคาถาไล่พระคาถาอย่างไม่จบว่างั้นแฮอ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 อันนี้มันก็เป็นวาทะเป็นวาจาผูดได้เหมือนกับท้องบุ่งหรือกระดาษทรายนะใครเคยเห็นเหล็กท้องบุ้งไหมเวลามันไม้กรูกลามันต้องใช้ท้องบุ่งก่อนขัดนะตอ่อจากนั้นเรเอากระดาษทรายขัดอีกแต่ตัวกระดาษทรายมันขรูกลานะท้องบุ้งมันกรูกรูกลามอนกันมันไม่ละเอียดแต่พอขัดไม้ไม้ละเอียดเนะพราะเหตุไรเพราะกระดาษทรายมันขัดนะ ก็คงลักษณะอย่างนั้นนะถ้าว่าพระที่ไม่ได้ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติไม่ได้ดูใจของตนเองเหมือนกับพระกระดาษายหรือว่าพระท้องบุงไม่ว่าจะพระสัตธทย ญ, ญาติโยงกูเหมือนกันครูโรงเรียนกเหมือนกันอาจารย์อนยันไหนข้ตามตำรวจทหารพิพากษาอายาการกเหมือนกันเราก็เคยได้ยินพอครูสอนศริยธรรมในโรงเรียนนักเรียนทั้งหลาย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 เราจะเห็นเหมือนเราเห็นโซเฟอร์นั่นแหะมันเห็นในความรู้สึกของเราเองแต่คนอื่นไม่เห็นนะแต่ตัวเองเห็นตนเองือนข้าไปยาเนี่เหมือนกับโซเฟอร์ร่างกายเนี่เหมือนกับรถถ้าว่ารถเนี่ยมันจะราค่าแพงขนาดไหนก็เถอะถ้าไปจอดไว้โซเฟอร์ไม่เข้าไปขับมันจะไปได้ไหมถ้าว่ามันขับมันทะเลาะไลไปกันนั่นหละแปลว่ารถคันนั้นผิดปกติแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน